สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวิเนเ e อร์99สวัสดีครับคุณออมสวัสดีครับพี่รครับผมคุณออมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ๋อตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดก็พี่อยู่ที่จังหวัดไหนบอกได้ไหมครับอ่าได้ครับจันทบุรีครับอยู่ที่จันทบุรีนะฮะอันนี้ไปเท <ไป S 1> ี่ยวหรือว่าไปพักผ มาตรวจงานลูกน้องครับพี่อ๋อเพราะว่าตัวของคุณ อ, อมนี่ทํางานอยู่ในโซนนั้นอยู่แล้วภาคตะวันออกครับป่าครับ่็ทําอยู่ที่กรุงเทพครับผมรับมาอาก่อนใช่อืมโอเคคุณ อ, อมอันนี้เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมเคยคุยกันแล้วครับนาจะเป็นปีแล้วนะถ้าผมจําไม่ได้อ๋อนานผมจำไม่ผิดนะน่าเป็นปีแล้ว ใช่ครับใช่อ๋อโอเคผมผมได้ว่าอีกออมนึ่งโทษทีนะคะมา <c oughs> ว่ากัน <c oughs> ถึงเรื่องนี้คุณออมครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านพักราชการแห่งหนึ่งไม่ต้องระบุนะครับว่าอยู่ที่ไหนไม่ละระบุไม่ได้เลยครับเพราะถ้าระบุไปก็รู้เลยอ่าเอาเป็นว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็แล้วกันกล า, าเมืองเลยครับอยู่กลางเมืองด้วยใช่ครับเออนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ก็ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่มันก็มันมันไม่ใช่เหตุการณ์แบบ<อ>แบบไม่ได้เจอยาวๆอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้ยาวอะไรอย่างเงี้ยครับครับมากเรื่องของวนเรียนที่ว่านี้เป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคุณอมเชิญเลยครับอ่าเริ่มเริ่มแ่กก่อนนะฮะก่อนที่ผมจะจะเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยผมอยู่ที่หนึง่งเราก็ตัวบ้านหลังเนี้ย คือพี่สาวก็บอกว่าเออมาเฝ้าให้หน่อยเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีคนในครอบครัวอยู่เนี่ยเขาจะยึดคืนกับกลับไปเป็นของหลวงนะฮะพี่สาวก็ไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเออให้ผมมาเฝ้าเฝ้าไว้ก่อนซึ่งซึ่งผมก็อยู่ตั้งแต่ตัวนั้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับก็ไปไปมามาบ้างถ้าเกิดผมออกสังจังหวัดก็ก็จะพี่สาวเขาอยู่อะไรเงี้ยอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายตัวบ้านก่อนนะครับพี่แจ็คคือประตูบ้านเนี่ยจะเป็นบานเสียม บานไม้เลยออืแบบปานคนจีนนะคบแบบบานพักอ่ะแล้วก็ล ức, ึกลลเข้าไปซ้ายมือจะเป็นทางบันไดขึ้นชั้นสองอถ้าเกิดเราหันหันหน้าเข้าทางบันไดเนี่ยขึ้นซ้ายมือจะขึ้นชั้นสองแต่จิ้มขวามือจะขึ้นชั้นลอยซึ่งผมนอนตรงนั้นคร่ะับแต่ปัจจุบันย้ายลงมานอนข้างล่างอะ่ะเดียวลงมานอนชั้นหนึ่งเอเกิดแล้วเนี่ย ด, ด้วยวันที่ผมย้ายเข้ามาคืนแรกเลยผมผมไม่ได้รู้จากอะไรแถวนี้เลยออืก็นอนไป คือคืนแรกก็เจอแหละครับครับอ่าก็คือความรู้สึกเหมือนแบบมีคนมายืนละมายืนดูเราอยู่ตรงอันนี้ไม่ได้คิดเองนะฮะมายืนดูเราอยู่ตรงประตูทางขึ้นชั้นลอยครับและคีนแรกผมนอนหันหลังให้ประตูอยู่ไงแล้วก็ได้ยินเสียงมันคละวงกบอ่ะก๊อกก๊อกแล้วก็ผมก็นั่งฟังนอนฟังแล้วพักอ่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่คิดว่าคงเป็นบ้านข้างๆมั้งเพราะว่าบ้านมันติดกันหมดไงพอพักก็ถาม ได้ยินเสียงพูดแบบแผละมาใครอือ่าแล้วผมก็หลับไปเลยอันนั้นคือครั้งแรกครับแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆมันก็จะเจอเสียงมั่งคนเดินบนชั้นสองมั่งเรื่อยๆครับแล้วก็เวลาผมออกไปทํางานตอนเช้าเนี่ยพี่ข้างบ้านได้สามหลับสบายไหมเนี่ยอืมก็นอนได้นะพี่ไม่มีอะไรคือเบื่อเบื่อฟื้นเธอผมเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอไม่คือถ้าเห็นก็กลัวนะแต่ว่าถ้าอยู่อยู่เฉยๆไม่เห็นก็ไม่ได้คิดอืม อ่าก็จะประมาณเนี้ยจนมีวันนึงอ่าเพื่อนสนิทมากินเบียร์ที่บ้านอันนี้อันนี้ขออนุญาตพูดภาษาเพื่อนกันนะครับครับมาตอนแรกก็นั่งกินเนี่ยผมก็จะนั่งหันหลังให้ให้ชั้นลอยเพื่อนก็จะนั่งหันหน้าเข้าชั้นลอยแล้วก็มันหันหลังออกออกนอกตัวบ้านนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็ผมก็จะเปิดทีวีข้างบนไว้อ่าแต่ว่าเรื่องสัญญาณมันหลุดอยือไงรูกมันก็จะเป็นจอฟ้าแล้วมันจะมีแสงนะพี่จ๊คครับอ่าแต่พาดเสื้อนผมมันก็บอกว่า นั่งกินหน้าบ้านดีกว่าอ่ะอืมอืมก็เลยลุกลุกกันออกไปนั่งกินมาหินอ่อนหน้าบ้านครับแต่มันก็บอกเออมึงปิประตูบ้า น, นได้ไหมเนี่ยผมก็เลยถามว่าทำไมอ่ะเออปิดเถอะปิดเถอะปิเถอะอ่าก็พักอย่างกินแล้วไม่ทันถึงแกเดื่มแก่เพื่อนบอกว่าเออกูกลับละครับอืมแล้วก็ไม่พูดอะไรนะก็ไม่พูดอะไรด้วยใช่ใช่มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมนเลยครับผมก็ผมก็เออไม่กินล้วไม่มีเพื่อนกินก็ไม่กินละกลับเข้าไปบ้านนอ ก็ไม่มีอะไรจนตอนเช้าเพื่อนมันโทรมาอั่นคือมึเจออะไรไปะเนี่ยก็ก็ไม่เจอนะเออแล้วมึงเจออะไรอะ่ะก็เนี่ยกูเห็นคนนั่งอยู่วันชั้นสองแล้วกําลังลุกเดินลงมากูเลยชวนมงบอกมานอนมานั่งหน้าบ้านครับอันนั้นคือครันแรกที่เพื่อนเจอแต่ว่าเพื่อนผมคนเนี้เจออีกสองสามครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ผมฟังเยอะนะเขาเห็น <ผม S 1> ล <ะ S 2> ักษณะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผชาครับคือผู้ชาย อ, อชย่ใ ช, ช่เป็นผู้ชายแบบผอมๆโก่งๆแบบผอมๆเต่แบบงๆหน่อยฮะครับครับแต่มันก็คือลักษณะที่มันเห็นมันบอกว่าเห็นลางๆนะแต่นี้คือผมถามมันแบบอีกเป็นเดือนมันถึงจะกล้าเล่าเห็จแล้วผมก็เลยถามว่าทำไมไม่บอกก็มึงกลัวไหมล่ะเราไม่ได้กลัวอราไม่แค่กลัวจะอยู่บ้านหลังนี้ได้หรออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเล่าอะไรให้ผมฟังนะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรออืครับเหตุแล้วก็ทีนี้จะเป็นเรื่องของลูกน้อง่ะ ลูกน้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาจะกลับพมาอืผมก็เลยให้เอาของมาเก็บที่ด้านก็คือเหมือนเหมือนพวกของใช้อะไรเขาเนี้ยเขากลับเทศกาลเนี่ย <c oughs> ประมาณสามโมงบ่ายสามคืนผมก็เลยบอกว่าเอาของอ่ะที่มีเก็บชั้นสองก็คืออา่าผมเคยส่งรูปเนี้ยไปให้ในะอินบอ็อกซ์พิจารแล้วพิจารสามารถเปิดดูได้มันเป็นประตูแล้วมีผ้าหยันสีสีจู่สองแผ่นเป็นประตูบ้านเราใช่ใช่ใช่แต่คือมันเป็นห้องของชั้นสอง ค่ะอ่ามันจะมีข้ายันสี่สองหลังที่พี่แจ็คลองไปไล่ดูยินบอกได้เลยเป็นเป็นข้ยันที่เราปิดไวเองหรือว่าเขามีก่อนเนี่ยใครับเขามีมีก่อนผมมาอยู่อยู่แล้วครับเหรอครับใช่อืมค่ะเปดแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกให้ลูกน้องเอาขี้มวไว้ชั้นสองเลยห้องตรงนี้นะประตูนี้นะให้พี่แจ็คมถึงวัยรุ่นแล้วทํางานใช้แรงครับพี่ครับมันเอาไว้ละจะแท่ประตูไม่หลุดอะหมายถึงว่า ประตูมันแค่แบบปิดไว้เฉยๆแต่เอาหัวไหล่ก็แทงไม่ดูดมันบอกมานมีคนดันไว้เลยตอนที่เขาจะเปิดเข้าไปใช่ครับผมก็เลยเดินขึ้นไปออืผมก็เลยเดินขึ้นไปผมก็เลยบอกเออเนี่ยให้ลูกน้องมาปากของเฉยๆแล้วบอกวานิ้วก้อยผักกับประตูเปิดเลยเหรอครับคือประตูมันไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรไว้ก็ผมอยู่บ้านคนเดียวใครจะไปล็อกข้างไในได้อ่าก็คือประตูมันไม่ได้มีก่อนไม่ได้มีอะไรเลยครับ ครับบ้านโบราณอะก็คือเดี๋ยวผมลืมไปบ้านหลังเนี้ยเขาลื้อไม้จากจากสถานที่ราชการแห่งเนี้ยซึ่งอายุเป็นร้อยปีนะครับพี่จ๊กแล้วเอามา ป, มปลูเป็นเรือนเป็นปูกเป็นห้องแถวเนี่ยให้พวกพนัก ง, งานข้าราชการอยู่คือเอาไม้เก่ามาสร้างเป็นเป็นห้องแถวเป็นระ้อยปีเหรอพี่แจ๊ค <มา S 1> ครับครับครับพอพเพืพเ่แบบผมจะเจาะผมจะเจาะสว่านไส่ข้าวมันผมต้องจุดทูปบ้ายก่อนนะไม่งั้นดอกสว่านไหม่ครั อืหคือไม้แข็งขนาดนั้นนะครับพี่แจ็คถ้าผมเอากบไฟฟ้ามาใส่พื้นเน่ยใบใบหีกบหักแข็งมากคครรัับบโอเคแล้วทีนี้เอาเป็นเรื่องที่เพื่อนผมอีกคนหนึงเจอก่็แล้วกันไอคนนี้มันปากค่อยเขามาสอบเขาก็มาสอบที่กรุงเทพนี่แหละอ่าแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าบ้านนี้มันมีอะไรแปลกๆนะอย่าทาอะไรมั่วนะอย่าทำรึ่งตึงฟังอย่าปากดีนะอะไรอย่างเงี้ย อ่ามันก็มาเลยกินเหล้ากันไ้ยครับอืมอ่าเสร็จประเด็นอันนี้คือผมไม่ได้เห็นนะครับคือผมเข้าห้องน้ําช่วงนั้นแล้วทีนี้ผมมาถามเพื่อนอว่าเออทาไมถึงขุนหันพันแรนออกจากบ้านแล้วมันไปนอนโรงแรนเลยอืออ่ามันบอกว่าก็เนี่ยตอนมึงเข้าห้องน้ําอ่ะกูว่าเห็นขาคนเดินลงมาเลยเป็นขาคนเดินลงมาจากบันไดใช่ใช่กขเป็นสองอืมอืม แค้นสองก็เดินลงมาเลยมันก็เลยแบบออกไปเลยบอกเฮ้ยกูไปแล้วนะแบบตะโกนมาแล้วก็หายไปเลยอ่ะครับครับแล้วก็อีกวันหนึ่งอีกสองสามวันมันถึงแบบมันเจ็บของแล้วเพราะว่าเขาสอบเสร็จพอดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืออืมแต่ว่ามันต่อยอย่างหนึงคือเพื่อนผมอะก่อนที่บอกก่อนที่มันจะชวนคนในบ้านกินเหล้าอะมันบอกว่าถ้ามีจริงนะขอให้ผมสอบติดแล้วมันก็สอบติดจริงๆจริงโลแล้วมันบอกว่าแล้วมันบอกว่ามันจะบนเหล้ามันจะบนเหล้าขาวสองขวดครับ ทีนี้มันลือ ม, มันกลัวจนลืมแครับพี่แจ็เขาไปตามมันถึงความแจ๋งเลย <c oughs> อะ <c oughs> บ, บอกไหนบอกเอาเล่าม า, าไหนบอกเอาเล่ามาเส้นไงคือไปเข้าฝันนะคือไม่ได้ายเป็นตัวนะคือเขาก็ไปเข้าฝันเสร็จแล้วก็ที่ผมเจอเองหนักๆเลยก็ยคือผมจะเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็วันพั์ผมจะถึงศิลปาแปดอย่างเงี้ย จะมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะเข้าวันษาผมก็ัปีที่แล้วครับครับ<ะ>ผมก็นั่งสวดมนต์พอพอผมกวดน้ำํำกวดอะไรเสร็จเนี่ยอ<ะ>ประตูห้องที่ผมเล่าคัางต้นที่จายสาได้เนี่ยครั<ะ>บมันก็ค่อยแง้มออกออืแล้วผมก็เห็นเป็นคนนั่งกราบเลยอีอ้โคือประตูมันค่อยแง้มออกแล้วเห็นเป็นคนนั่งกราบอยู่ใช่เขาก็ก็คือ<ห>ผมเปิด ผมเปิดไฟไฟมีออนตรงหอกตรงทิ้งพลาใช่ไหมครับมันก็จะพอประตูนเปิดเข้าไปเนี่ยแสงมันก็จะรอดเข้าไปนิดนึงก็เห็นเป็นแบบเป็นเงาคนลางๆเลยแบบนั่งกราบเลยครับอ่าแล้วทีนี้พี่แจ็สงสัยแม่ว่าพี่ชายวันนี้เป็นใครอ่อ่าครับด้วยขั้นด้วยข้างต้นที่ผมเล่าให้พี่แจ็ฟังคือบ้านพับเป็นบ้านพากราชการครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคนหลายคนเนี่ยเปลี่ยนวนเวียนมาอยู่เยอะมากถูกต้องครับเสร็จแล้วทีเนี้ยจะมีลงคนนึง อันนี้เรื่องนี้ผมเคยเล่าที่บ้านเก่าพี่แจ็นะครับครับครับครัชื่อชื่อเรื่องว่าลุงปีชาก็คือลุงปีชานี่แหละต้นเรื่องอครับอ่าเสร็จแล้วลุงปีชานี่แหละจะถึงเวลาที่แกต้องกเกษียณอายุราชการครับแล้วแกเป็นคนไม่มีญากิไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรเลยครับแล้วแรักบ้านหลังนี้มากเพราะอยู่ตั้งแต่หนุ่มๆแกทํางานที่นี่ตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแกก็อยู่ที่เนี่ตลอดไม่เคยไปไหนครับแล้วพอเกษียณอะ อายุแลชกานเนี่ยมันก็ต้องคนไปต้องย้ายออกจากไหมคับพีแจ๊คเพื่อให้คนที่ยังยังทํางานอยู่เขามาอยู่แทนนะถูกต้องมันจะต้องเกษียณออกไปใช่ครับแกไม่รู้แกไม่รู้จะทำยังไงแกก็ปลูกคอตายบนด้านเลยไอ้ห้องที่ลูกน้องผมเปิดไม่ได้นะปูกคอตายเพราะว่าแกไม่อยากไปจากบ้านหลังนี้เหรอคือแกไม่รู้จะไปไหนฮะไม่รู้ญาติพี่น้องไม่มีอะไรเลยเออนี่คือประวัติความเป็นมาก่อนก่อนที่ เราจะมาอยู่เใช่ครับซึ่งไม่มีใครเล่าให้ฟังพี่ตาผมก็ไม่เล่าอือแสดงพี่สาวรู้ใช่ครับแต่เธอแกก็ไม่พูดอืออืออ่าข้างบ้านรู้เขาก็ไม่พูดครับครับอือแล้วก็แล้วก็ที่งถ้าผมเรื่องผมเจอตปลกๆอย่างเยอะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนเจอแต่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นจะมีคนเจอจะเป็นผู้หญิงกับเด็กครับอ่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น กุมารกับแม่ต ะ, ะเคียนที่ที่สาอหูปอมไที่บ้านหลังนี้แต่เนนี้แต่นี้แต่แต่ว่า แ, แต่ว่าอันนี้ผมไม่ไม่เคยเห็นครับผมอ้าผมเคเคยเห็นแค่ลุงปีชาเนี่ยครับจะชื่อลุงปีชาอือืครับคือซึ่ ง, งทุกวันเนี้ถ้าบ่ายสามบ่ายสี่อยู่บ้านนะก็จะได้ยินเสียงอืมอืมเหมือนจะเพราะว่าแะปลูกคาายช่วงนั้นนะครับครับทุกวันนี้นะถ้าอยู่นะตอนกลางวันซึ่งผมก็ไม่เข้าอยู่กลางวันเนะ่ยผมจะกลับบ้านนู่นนะทุ่มสองทุ่มไปเลยครับ ผมไม่เคยไม่ค่อยได้ยินว่าบ้านพักข้าราชการนะครับจะเป็นประตูบานเสียมอันนี้น้อยนะจริงๆเพราะว่าส่วนมากบ<ช>้านพักข<บ>้าราชการก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดก็คือเป็นบ้านมีประตูแบบปกติทั่วไปแต่เ น, นี้ยตสามหลังสามเสียบเหมือนกันหมดครับทําไมคืูงเออทาเป็นบานเสียมแบบบ้านคนจีนอย่างนั้นหนอใช่ใช่ครับพี่จ็เออเพราะว่ามันมันผิดไม่รู้นะความรู้สึกผมผมว่ามันผิดแบบแปลนของบ้านพักข้าราชการทั่วไป ใช่ครับทุกทุกวันนี้หมายถึงว่าตัวของคุณอมก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ไม่ค่อยได้อยู่ใช่ครับก็คือช่วงนี้ผมรับงานทางตะวันตกก็จะอยู่น้อยหน่อยแต่ช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณไล่ไปสักประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วผมอยู่ทุกวันครับครับผมนอนอยู่ทุกวันอืครับแล้วทุกวันนี้ถามว่าถามว่าที่นอนทุกวันเจอไหมบางทีเนี่ยผมจะตรวจมวลเวลาสักสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเพราะผมทํางานเพลินเนี่ย ผมยังไม่ขึ้นไปสรวจเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเห็นไม้ชั้นสองอะ่ะยวบยากยุบยากมรงนีคนเดินละออืแล้วก็มีเสียงเคาะพื้นบ้านละครับคืออ่าเหมือนเหมือนแบบได้เวลาแล้วนะต้องอาบน้ำขึ้นไปสร ว, วจหมดละเดี๋ยวไปทางานต่อก็ค่อยลงมาทําต่อเหมือนคุณลุงแกไม่ได้ไปไหนเหมือนจิตแกยังผูกพันอยู่กับบ้านหลังเนี้ยใช่ครับใช่โอ้ยตัวของคุณอมทําใจได้ ก็ไม่ไค้เห็นก็โอเคแล้วครับพี่บอ๊อแต่เรารู้ลึกๆอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านนี้คนเดียวก็ถ้าบางวันใจแรงจริงๆนะเข้าบ้านก็ก็ไม่อยากอยู่แะพี่ก็ขนลุกอะครับก็เข้าบ้านบ้านตัวเองกลัวแต่ว่าคือแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่นานๆมันถึงจะเป็นทีนึ่ครับครับ อก็มีทางเดียวแหละครับคือถ้ามันมันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องจําใจอยู่ก็ต้องคก็สวดมนต์แล้วก็แล้วแล้ก็ถึงจะให้แกแบบพ้นบ่วงกรรมแกเร็วๆครับนะฮะก็ขออย่างเดียวคืออย่าให้แกมาทําอะไรที่มันเหนือธรรมชาติเกินไปนะักใช่ไหมฮะมาแบบเห็นเปนตั ว, เ ป, ตวเป็นตนมาแบบโอ้โหเดินไม้เห็นจะจระอันนี้ก็ไม่ไหวนะ ถูกป่ะใช่ครับพี่แจใช่ถูกแตคือผมก็ไม่เคยเห็นแยขนาดนั้นแต่จะเป็นคนอื่นที่เข้ามาแล้วผมไม่ได้บอกว่าเออพาใครมาหรือไม่ได้ไม่ได้แบบบอกแย่ก่อนว่าพาใครมาเนี่ยคือพวกนั้น่ะเราปักเราปักดีๆนะพวกมันจะเห็นหมดอผมว่าแกแกรู้แหละว่าอ่ะในเมื่ออมีลูกมีหลานอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างคุณออมเป็นเป็นคนที่เห็นหน้าประจําอยู่แล้วแกคงแกคงไม่ไม่แสดงอิจฉาลิศปฏิหารอะไรให้เห็นแต่ถ้ามีคนนอกหรือว่าเพื่อนมาเนี่ย เจอ<ห>แน่นอนถูกครับออยังไงก็เจอครับและทุกวันนี้ผ้ายันก็ยังถูกปิดอยู่ที่ประตูห้องนั้นก็ผมก็ไม่ผมก็ไม่ไปเอาออกอืมอือมแต่ว่าไอ้เชือกที่แกใช้ผูกปลาตายผมเป็นคนไปผลเราไปทิ้งว่ะเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวดี๋วดี๋ยวเด๋ยวหมายถึงว่าวันที่ตัวของคุณออมเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้เชือกยังอยู่หรอก็ยังอยู่ครับก็คือจืผมอยู่มาเป็นปีอ่ะคือเจอเรื่องแปลกๆมาเป็นปีอ่ะแล้วผมก็ว่ามันเชือกมันผูกมันผูกอยู่ตรงไหน ปูกอยู่ชั้นสองครับไม่ไม่ตรงตรงไหนของห้องเอ่ามันจะเป็นที่จารเห็นพนมเพดานนะั้นจะมีขอเกี่ยว อ, ะอ่ะอ่าอ่า่าอจจะจะผูกตรงนั้นแหละครับเชือกลักษณะเป็นเชือกไนล่อนหรือว่าเชือกอะไรฮะเออเป็นเชือกผ้าครับพีจ็คเป็นเชือกผ้าด<อ>ันดันฮุย<อ>ที่เขาใชมัดกองมัดผ้าครับตอนที่เขาเอาศพออกเขาไม่ได้แกะเชือกออกไปเหรอเจ้าหนะ้าที่มูลนิธิอะไรพวกเนี้ยไม่ครับเพราตอนตอ น, ตอนที่ ตอนที่เห็นตอนที่รู้ว่าแะเสียแล้วอะ่ะก็คื อ, อที่วันอะ่ะที่ขายกับข้าวหน้าตะซอยอะครับคือแจจะสนิทกับทุกคนแหละแถวเนี้ยออืแกพอแ ก, เ ห, แกเห็นปุ๊บจะเห็นปกติลุงปีชาเนี่ยแก จ, จะมานั่งหน้าบ้านตอนเย็นๆช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสียอืะอะก็คือแกจะเห็นลุงปีชานัง่งแต่วันนั้นจะไม่เห็นครับอแกก็เลยแบบเข้าไปในบ้านไปดูเออไปเรียกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแะล้มแกอะไรเพราะแกติดเราด้วยเผื่อจะล้มจะอะไรก็ แ่ก็เห็นว่าเขาผูกคออยู่ชั้นสองแจก็เลยไปอุ้มแล้วก็ให้แนให้แฟนแจมาปลดเชือกออกแล้เชือกมันก็คาอยู่แนั้นนะครับคือแค่ปลดเชือกบ่วงที่คอออกใช่ใช่ครับแต่ไอ้เชือกต้นที่มันผูกอยู่กับตะขอพัดลมเพดานก็ยังห้อยตรงเตงอยู่งั้นเนี้ยนะแหมเขาแค่จนเป็นปีจนผมเข้าไปอยู่อะแม่เจ้าเฮ้ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะว่าการที่จะอเอาเอาศพคนที่ผูกคอตายเนี่ย เขาเขาต้องตัดหรือเขาต้องแกะถูกไหมน่าจะแกะนะผมว่าเขาไม่ให้ตัดนะถ้านะผมจำไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ได้ตัดเขาครับ<อ>ว่าแกเป็นบ่วงอยู่งั้นอนะ่ะคือผมคือผมเจอจนเยอะคือเราได้ยินเสียงอะไรจนราคาญนะพี่แจ๊ผมก็เลยแบบว่าเชือ่ไปทิ้งดีกว่าก็ เ, เลยขึ้นมาปลดแล้วไปโยนทิ้งไว้ในแถวบ้านนั่นแหละเดีนะเราเข้าไปอยู่ในบ้านนี้เป็นปีกว่าที่เราจะปลดเชือกนี้ออกไปหรอใช่ใ่ครับซึ่งระหว่างนั้นเราไม่รู้เลยว่า มันมีเชือกที่ผูกคอตายอยู่ตรงนี้ก็รู้แต่ไม่ได้ขึ้นไปยุ่งครับก็ยังงงอยู่ว่าเชือกอะไรจนทุกวันที่ผมไปปลดนะก็ก็คือก็เพิ่งมีคนเล่าให้ฟังนั่นแหละโอ้ยผมก็เลยไปเอาออกโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยหุ้ยหูใจใจคุณแบบ <c oughs> เออตกลงคือต้องตัดหรือต้องแกะกันแนะนะ่ฮะ มีบางคนบอกให้ห้ามตัด <ห Sta. S 1> บางคนก็บอกห้ามห้ามแกะต้องตัดคือผมก็ไม่ได้ตัดเพราะถือคือถือตะขอพลุมไผดานเนี่ยมันเป็นตะขอปลายเปิดครับคือผมก็ผมก็ลูดออกจากตะขอเลยแล้วก็ถือแล้วก็เดินไปวัดเลยก็คือพอเห็นประตูวัดผมก็โยนมก็ไปเลยครับก็ประมาณนี้ะครับโอตอนนี้มีมีสองประเด็นเลยนะคือบางคนก็บอกห้ามตัดครับพี่แจ็คบางคนก็บอกว่าต้องต้องแกะนะต้องตัดนะคือตัดหมายถึงว่าเป็นการตัด เหมือนกัดตัดบ่วงบวงของเขาที่อยู่ตรงนั้นเน่ะเออนะฮะบางคนก็บอกต้องตัดต้องแกะอะไรก็ก็ ก, ก็อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเรื่องพิธีการตรงนี้ะนะครับแต่ผมเคยได้ยินมานะว่าอันนี้เคยได้ยินมาเฉยๆคุณผู้ฟังจริงไม่จริงไม่รู้เขาว่ากันว่าเชือกที่ใช้สำหรับในการผูกคอตายเนี่ย มักจะเอาไปทําเรื่องของโชคเล่าถูกต้องแล้วราคาไม่ไม่ถูกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะคุณผู้ฟังต้องบอกไว้ก่อนแต่มันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตํานานที่เหล่าบรรดา น, นักเสี่ยงโชคเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแบบเนี้ยเออเอาเชือกเนี้ย<ห>ไปทําอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ทําให้มันเป็นเลขอะไรขึ้นมาผมว่า มันน่าจะเป็นการไปเหนียวรั้งไปผูกกับวิญญาณที่เขาติดอยู่กับเชือกอะ่ะครับเออไม่ต้องไหรยเราพี่แจเพราว่าลุกลุงปีชาเขยังอยู่ที่บ้านกร ะ, ะดูกระยังอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าอยู่ในห้องนั้นเหรอไม่ไม่ใชอยู่ในห้องนั้จะอยู่ผมจะเอาออกมาจากห้องนั้นมาไว้มามาไว ท, ทั้งวันพระแล้วผมจะได้แบบเอแบบเ อ, อบางทีก็วันพระผมก็จัด<อ>สำรับให้แกบ้่าอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่า กระดูกในที่นี้คือเป็นอยู่ในโกดอย่างี้หละฮะใช่ใช่ครับแซมโอ้โหคือปกติแล้วเนี่ยอันเราก็จะเก็บเหมือนกับกระดูกอัฐิของญาติของเราเนี่ยไว้ในบ้านใช่ครับใช่อันนี้ญาติก็ไม่ใช่แต่ก็ถือว่าเขาเขาอยู่มาก่อนเราใช่ครับแซมโอ้โหเโอเฉียบมากรูปอยู่ในรูปในที่นี้คือหมายถึงว่ารูปปกติหรือว่ารูปตั้งหน้าศพรูปหน้าศพแกครับ มีกวนชาตะมรณะอะไรพวกนี้เรียบร้อยเลยอฮะอ๋อไม่มีครับอันนั้นตรงนั้น่ะผมผมเอาไปแก้ก็คือผมตัดออกแตคือให้เป็นรูปแก้เฉยเฉยอ้โหแล้วรูปแกอยู่ไหนก็อยู่บนบ้านนะครับชั้นสองเฮ้ยคนจริงสองพันสิบปดอีกคนหนึ่งเออเชียเลยคไม่เห็นก็เลาไปครับพี่จ๊อขับเออแต่ผมแบบไม่รู้ดีคือถ้าเป็นผมนะผมก็อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะ เห็นรูปผมก็ว่าแบบเรารู้แล้วผมถ้าผมนั่งสวดมนต์ก็เห็นรูปแกเขาจอยู่ข้างหน้าเลยอืมโอ้ยเอาเอาก็ถือว่าเขามีจิตที่ผูกพันอยู่กับบ้านหลังเนี้ยนะครับแล้วก็เพราะคนที่ฆ่าตัวตายครับพี่แจจะรู้รู้รู้กันอยู่ถูกถูกแต่แกก็คงทรมานแกนั่นแหละเราก็สวดมนต์กวดน้ํา แผลให้แกบ้างอะไรอย่างนี้ครับจนกว่าจะถึงอายุไขของแกจริงอายุไขแกนั่นแหละใช่ครับแต่เคยมี่ฟ้าบอกนะแกต้องอยู่เป็นสิบปีอะใช่ไหมใช่ครับโอ้เนี่แหละฮะการฆ่าตัวตายการตัดช่องน้อยแต่พอตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเราเป็นคนเป็นอย่างเราอ่ะเราเราไม่รู้สึกถึงอารมณ์ตรงนั้นหรอกครับพี่แซคด้านหนึ่งน้องผมมาเล่นบ้านครับ แล้วก็แล้วก็ผมก็บอกในบนบ้านเนี่ยขึ้นโดยไหว้ลุงนะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ท้าชายนะพี่แจ็คโดนฉีบลงมาตั้งแต่ขั้นบนสุดถ้าตังถึงข้างล่างแขนหัก <c oughs> โอ้โหแสดงว่าแกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็คือทํ า, <c oughs> ถ, าถ้าอยู่เฉยๆแต่ผมแต่ผมอยู่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับอ่าจจะจะมีแบบทวงเรื่องสวดมนต์มั่งทว ง, งเรื่องทําบุญให้มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีบ้างแต่คือผมก็ไม่ได้จ่าไปอะไรแกผมว่าแกต้องการแค่ตรงนั้นแหละใช่ครับพี่จนะต้องการที่จะหลุดพ้นตรงนั้นในเมื่อแกตัดสินใจทําตรงนั้นไปแล้วนะใช่ครับนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณแกถ้ามีอยู่จริงนะก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแต่แบบโหเฮ้ยเข้าไปในบ้านเห็นรูปหน้าศพของคนที่ผูกคอตายเจ้าของเก่าคนที่เคยอาศัยอยู่เก่า ผูคอตายในบ้านหลังนี้อยู่ในบ้านนี้แบบใจเด็ดมากคุณออมแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยที่ก่อนที่ผมมาอยู่ในอันนี้เรื่องสั้นๆครับพี่แจ๊คจะเป็นจะเป็นคนที่ที่ที่เขาที่เขาขายของตอนนั้นแหละเขาจะเช่าแล้วก็เอามาเก็บของซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้มาอยู่นะเขาประเภทแบบเขานอนไม่ได้เลยอ่ะเหมือนเหมือนตอนแรกเขาว่าจะเช่าแล้วนอนด้วยเขาต้องไปเช่าหออที่หนึ่งเพื่อที่จะอยู่อ่ะไม่ได้นอนคือนอนไม่ได้ครับทําบ้าน ถ้าทำบ้านสกปรกเนี่ยจะไม่ชอบครับครับก็คือนอนได้แล้วอันนี้ไม่ได้เจอแค่ลุงปีชาเจอทั้งผู้ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงครับแต่อย่างที่บอกแหละผู้หญิงผู้ผู้หญิงกับเด็กของผมไม่เคยเจอแต่คนื่นที่แต่คนอื่นที่มาอยู่เนี่ยเจอผู้หญิงกับเด็กด้วยน่าจะมากับไม้ว่าอย่างนั้นเถอะ หน้าจ่าชัยครับพี่แจเพราะว่าเรื่องที่ผมบอกพี่แจ๊อ่ะก็คือรู้แต่ตรงเนี้แล้วมันเป็นร้อยตีครับพี่แจมันควรจะต้องมีอะไรบ้างถูกต้องถูกต้องอ่าโอ้ครับนะฮะแล้วนี่อยู่กับใครก็นีคุณอมโทษทีได้ยินเสียงเหมือนไม่ผมนั่งอยู่ใกล้ๆลูกน้องผมนะครับอ๋อกําลังทํางานกันอยู่ใช่ไหมก็ไม่เขาเขานั่งดื่มสังสรรค์กันอ๋อโอเคโอเคได้ค่ะคุณอมยังไงขอบคุณมากมนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันครับพี่แจนะฮะขอบพระคุณครับคุณออมครับ